ลูปุลุยจันทาสาโรววัรมผา บ, บานนาิ้งบ้านนาแกตาบลผาบิงอำเภอวังสุภุงจังหวัดเลยพุทธศักราช2444ถึง2532ภาวนาธรรมจิตใจให้เด็ดเดียว ร่างกายประกอบไตรลักษณะเร่งความเพียรให้ลึกเข้าไปเพื่อประโยชน์ในการดับอนุสัยชำระกิเลสที่นอนกองอยู่ในใจให้อวิชชาออกไปเพื่อมิชชาเข้ามาแทน เห็นอวัยวะของร่างกายแปลปรวนอยู่เสมอด้วยไตรลักษณะจิตจึงไม่ทะเยอทะยานจิตมีความมัธยัตเป็นกลางเสมอไม่ติดในอาม i ตรใดๆไม่ยึดติดในรักและชัง รูปธรรมเห็นได้ง่ายนามธรรมเห็นได้ยากเห็นด้วยใจอย่างเดียวจะประหารได้ด้วยใจ ล, ลับอย่างเดียวเพื่อไม่ให้ติดต่อรูปธรรมกระทำด้วยอุคหะนิมิตและปฏิภาคนิมิต รวมทั้งสองประเภทประหารด้วยวิปัสนาตัวปัญญาให้รู้แจ้งรู้จริงเห็นจริงตามสภาพธรรมะทั้งปวงจึงจะสิ้นกิเลสได้ พระอริยเจ้าละกรรมอดีตละกรรมอนาคตทำความรู้แจ้งในปัจจุบันไปนิพพานในปัจจุบันโดยให้รู้เห็นร่างกายภายในให้ทั่วให้ละ ให้วางความรู้ทั่วนั้นเป็นอมะตะธรรมหมายความว่ารู้ทั่วในไตรลักษณ์เป็นตัวมักประหารกิเลสโดยความไม่ยึดถืออะไรทั้งหมด กในจิตเป็นเอกโดยธรรมโมความเป็นหนึ่งในการวางสังขารทั้งปวงให้เห็นสังขารปรวนแปรอยู่เสมออยู่โดยอาศัยกรรมทรงชีพให้เป็นไปตามกรรมทั้งหลายแปลปรวนไปตามสังขารเปลี่ยนสุขเปลี่ยนทุก เรื่อยไปไม่หยุดเห็นสังขารแปรปรวนอยู่เช่นนั้นทั้งกลางวันกลางคืนทั้งนั่งนอนยืนเดินไม่ประมาทธรรมะบอกเหตุผลอยู่เรื่อยๆสว่างโลกทั้งภายในภายนอก ไม่เผลอไม่ประมาทมีสติเต็มที่ใคร่ครวนในกามให้เห็นกามเป็นของไม่เที่ยงให้เห็นเป็นปาติกูลให้เห็นเป็นภัยอันใหญ่ให้เห็นเป็นไรลักษ์เกิดความเบื่อหน่าย ให้ภาวนาเห็นความเกิดดับของจิตความเกิดดับของกายจิตเดินวิปัสสนาให้เห็นกิเลสคลายออกจากจิตจากกายภาวนาให้เห็นสังขารเห็นเรื่องสังขารเป็นความแปรปรวนของสังขาร หมายความว่าให้เห็นวิถีของสังขารแปรแปรวนประกอบด้วยทุกขังอนิจจังอนัตตาใครกลวนอยู่ในอริยสัจของจริงภาวนาดูกายอย่าหนีจากกายยุดกายเป็นหลัก ต่อนน้นภาวนาไตรลักษณ์เห็นจิตบังคับกิเลสให้ถอยออกจากจิตไม่ติดต่ออะไรไตรลักษณะทุกขังอนิจจังอนัตตาชำระกิเลสให้จิตถึงพระนิพพานดุจชักสะพานขาดจากกิเลส ไม่ติดต่อกับกิเลสรู้ทั้งเกิดและดับที่เกิดกับจิตทั้งเปลี่ยนแปลงของจิตทุกขณะเปลี่ยนแปลงสุขทุกรู้เปลี่ยนแปลงเศร้าหมองผ่องแพ้วก็รู้ เปลี่ยนแปลงด้วยความโง่เขลาหรือฉลาดก็รู้เปลี่ยนแปลงด้วยความกล้าหาญแลอ่อนแอก็รู้อาการเช่นนี้เป็นลักษณะของไตรลักษณ์ประจำจิต ต้องรู้ระยะเปลี่ยนแปลงและเลื่อนไหวรู้เช่นนี้ก็หมดดันหาในเรื่องรักชังติชมเพราะอาดีตอนาคตก็รู้กันปัจจุบันไม่ยึดปรากฏเป็นความรู้บริสุทธิ์ล้วนๆอยู่กับความรู้ในธรรมชาติ ตาบะทรมานจิตเป็นความเพียรอย่างยิ่งพึ่งไตรลักษ์ประกอบอารมณ์ลงไปร่างกายวันไหวดิ้นใหญ่ทั่วอวัยวะทุกส่วนเรียกว่าปิติ สถานวันไหวเป็นหน้าอัศจรรย์อย่างยิ่งพึงให้เกิดเรื่อยๆให้ละกิเลสให้ถอนกิเลสให้ชำนิชำนานในกิริยาอั น, นั้นเพื่อจิตจะไม่วันไหวให้รู้เท่าเอาทันพร้อมสติรู้สึกว่า ร่างกายและจิตใจเบาเป็นตัวปิติโดยตรงยิ่งทำให้มากภายหลังจะรู้ตามความจริงของสังขารทั้งปวงต้องมีตรายักษ์กำกับจิตอยู่เสมอนั้นเป็นการดีเพื่อตัดกระแสของสังขารสังโยชน์ทั้งหลาย ไม่ให้ติดต่อเป็นพิษเป็นภัยเป็นเวรเป็นภัยต่อไปในอนาคตการพิจารณากายต้องให้ก้าวเข้าไปถอยออกมาเป็นอนุโลมปฏิโลมจนให้ชำนานต่อไปจิตเป็นเองจิต ย่อมจะรวมใหญ่จึงเห็นความเป็นอันเดียวกันหมดทั้งโลกเป็นธาตุทั้งสิ้นนิมิตจะปรากฏขึ้นพร้อมกับว่าโลกโลกราบดดหน้ากลองเพราะมีสภาพเป็นอันเดียว พิจารณาถูกอริยสัจแล้วจิตหดไม่มีการส่งจิตถ้าไม่ถูกแล้วมีอาการส่งจิตข้างนอกจิตจิตที่พ้นนั้นจะไม่มีไตรลักษ์เข้าไปเกี่ยวข้องของจิตและจะต้องรู้แจ้งแทงตลอดสังขารทั้งปวงจึงจะไปนิพพานได้ แม้ทางจะไปนิพพานได้จะต้องเดินมักให้ถูกขยันหมั่นเพียรอดทนจึงจะสำเร็จ